10 นาทีต่อไปนี้สํานักงาน ปปส. มอบให้ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 รวมพลังไทยพลัง ร่วมหมอกสลายที่ปลายฟ้าองค์ราชันปลายฟ้าสลายที่ปลายฟ้า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 ต่อไปหมอกสลายที่ปลายฟ้าขอ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 หมอกสลาย 28 ความเดิมตอนที่แล้วแครนคุณกับดาวหวั่นมา และกิมจูเสียใจจนไม่ได้สติไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเสียหมอกสลายที่ปลายฟ้าจน โจรตอนนี้นะระวันให้ฉันตายซะก็คงไม่รอดอยู่ดีใช่ไหมดีกว่า สงสัยโดนประหารเอ่องั้นรายย่อยก็ได้ได้ฉันจะยอม ตอนนี้คุณรักษาตัวให้หายก่อนดีกว่าเรื่องคงกันผมกับหมอรับปากพ่อของคุณแล้วว่าจะดูแลให้ใหม่ความว่าเตียเตีย ฉันน่าจะรักเตี่ยรักน้องให้มากกว่านี้น่าจะรัก จะเป็นเสียดจิวกรรมจรโดยเฉพาะคุณกันที่ ในได้ 99.99% แล้วคุณหมอคิดว่าไม่ถึง 100% การลักเล็กขโมยน้อยลักเล็กขโมยน้อยวัยรุ่นไม่ทะเลาะวิวาทหรือว่า มันภูมิใจในตัวครูใหญ่จริงๆนะเนี่ย ใบนี้เป็นประกาศคนดีสีหมู่บ้านของ ร่วมแรงร่วมใจจนเกิดมี และยอมรับจากชาวชุม แม่อ้อยคอยฟัง ให้ถึงเต็มจนเก่าข้าไม่ออกนะงั้นเปียะดีโอ้ยดีใจจังหมอคิดหวังมั้ย คนดีสีหมู่บ้านอาจเป็น ผอ. กำนันของ เพื่อความ แล้วนี่ยังได้ข่าวดีอีกอย่างนะแม่แม่แหมหมู่เนี่ยข่าวดี ตอนนี้นะโอ้ย เชื่อดิเดี๋ยวก็กลับไปใช้อีกลบเถอะครับถึงลูกเลิกยาได้แล้วก็อย่าวาง อย่างแรกนะแรกเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเราต้องจัดเวทีประชาคมชาว เพื่อจะได้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยจะได้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยแล้ว แล้วก็เปิดโอกาสให้ชาวบ้านแลกเงินขวัญถุงนี้เพื่อเป็นอืม เป็นยังไงบ้างครับคุณกันผมกับหมอเดี๋ยว ผมกับคุณหมอจะแวะไปเยี่ยมพี่ชายคุณ เราก็...ต้องสู้กับมันให้ได้ค่ะ ก็ต้องสู้กับมัน อะไรตอนที่ครูใหญ่เรียกชื่อเธอซะเต็มอืม ก็อาจจะเป็นอย่างที่หมอ เยี่ยมน้องแต่เธอยังไม่ยอมพูดอะไรผมมาแล้วใช่ไหมไปมาแล้ว เดชฉันวันที่กิมจูหายไม่จากวันนี้ไปเวลาพอที่จะเห็นวันนั้นวัน ถวายแต่คนอย่างผมคงไม่มีวาสนาพระราชกุศลแต่คนอย่างผมคงไม่มีวาสนาฉันจะ ก็ยังมีอารมณ์พูดเล่นอย่างนี้ยังมีอารมณ์พูดเล่นอย่างๆ ถูกด่าชุดใหญ่ใส่<อ> คำอยู่ในสภาพอย่างนี้กําจรอยู่ในสภาพอย่างนี้ยังมีปัญญาพูดค่ะ ชื่อคุณ 간ชริกา มีปัญหาอะไรเหรอคะคนไข้หายไปอ้าวไม่อ่ะเราต้องหา คลายกำแพงใจให้อภัยให้โอกาสผู้ลึกยาเสพบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนผู้ลึกยาเสพติดถ้าเขา นามผู้แสดงบีดังวรการเจริญดีไปนี้อาธรภาธิพัฒนะทินดาเกษรีเปรมกมลโชติกาเสถียร และเฉลิมพลสิริประเสริฐศักดิ์ชนทหารอาสาควบคุมเสียงอาธร <c oughs>